นิทานเรื่องหงเลือกคู่เมื่อครั้งมีโลกขึ้นใหม่ๆสัตว์โลกทั้งหลายมีพร้อมเมื่อ ปรานานาชนิดในต่อมาก็เป็นปลาและนกและนกหลาก ก็ได้ตั้งให้เป็นพระราชาและเรียกกันว่าชายคนหนึ่งมาแล้วตั้งให้ๆ และนกเลือกได้หงทองซึ่ง ราวใดที่เกิดปัญหาและตกลงกันไม่ ดูจะล้ำหน้ากว่าผู้นำของสัตว์โลกพวกอื่นเนื่องจากมีลูกสาวสวยล้ำหน้ารวมทั้งการเลือกคู่ได้เองผู้นําของ พ่ออนุญาตให้เลือกได้ตามใจนะแต่ เวลาล่วงเลยไปนานจนกระทั่งลูกสาว หมู่นกปรบท่านทั้งหลายต้อนรับกันเกรียงเมื่อ ข้าพเจ้าขอให้อิสระเค้าเต็มที่เค้าชอบใคร ข้าพเจ้าขอแนะนําให้ท่านรู้จักกับ ก็ดิฉันตัดสินใจเลือกคู่ได้ในวันนี้ที่ ต้องรูปร่างหล่อและรู้คําประกาศของ ซึ่งนกที่มีความหวังนี้ส่วนมากจะเป็น ยังคิดไปถึงเรื่องศักดิ์ศรีและคุณ หนูขอเลือกนกยุงตัวนี้เป็นคู่ ตาลนี่เพื่อนนกยางเข้าไปรุมล้อมแสดงโชคดีนะยินดีแก่เอ้ย นกยูงยืดอกรับความปรารถนาดีของหมู่นกแล้วคิด ประกอบกับความหลิงโลดใจที่ได้ ที่ประชุมก็เงียบกริบเมื่อได้ยินแต่ข้าพเจ้าจะไม่ยกลูกสาวให้ท่าน เพราะลูกรักพ่ออนุญาตให้ลูกเลือกคู่เองแล้วแต่คู่ที่ลูกเลือกนั้นไม่เหมาะสมกับลูกเลยทําให้เราอับอาย เอาจะๆๆ พงษ์หลานๆๆ เมื่อเหตุการณ์กลับตะละปัดคนไม่มีบุญชนะก็รักษาไว้ไม่ได้ยูง บุญทั้งที่โอกาสเป็นของเขาแล้วในตอนแรก